1. ธรรมจักรกับประวัตนาสูตรว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร 1,081 เอข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนะมรุคทยวันเขตกรุงพาราสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุ ป, ปัญจวคีมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองประการ บันพชิตไม่พึงเสพที่สุดสองประการอะไรบ้างคือ 1. การมสุขัลิการนุโยกในวงเล็บการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมสุขในการมทั้งหลายเป็นธรรมอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อ, อัตตกิลมัฐานุโยก ในวงเล็บการประกอบความเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มัชชิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองประการนี้ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพานมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบ ป, ประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสสัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจาสสัมมากรรมตะ 5. สัมมาอาชิวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้คือมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาที่ก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบประงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจคือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุททะอริยสัจตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือการมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหา ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือเป็นอริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่หนึ่งสามมาทิฏฐิ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 ภิกษุทั้งหลายยานทัศนะตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสิ่ประการนี้มีวันละสามรอบมีสิบสองอาการอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อดายานทัศนะตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่ประการนี้มีวันะสามรอบมีส2องอาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ยานทศัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสธรธรมจักรกับวัตตนสูตรนี้ภิกษุปัญจวคีมีใจยินดี สังชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณะอยู่ธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนธัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาคลั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจัก ให้เป็นไปแล้วถวยเทพชั้นภุมมะกระจายข่าวนั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนะมารุกขทยวันเขตกรุงพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใคร ใ, ครในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ถวยเทพชั้นจตุมหาราชสะดับเสียงของถวยเทพชั้นภุมมะแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไปว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิ ป, ปตนมรุกทายวันเขตกรุงพาราสีอันสมณนะพรหมามเทวดามารพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ถวยเทพชั้นดาวดึงสดับเสียงของถวยเทพชั้นจตุมหาราชแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นยามาถวยเทพชั้นดุสิตถวยเทพชั้นนิมมานรดีถวยเทพชั้นปารนิ ม, มิต ว, วัสวัตดีถวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมสมดับเสียงของถวยเทพชั้นปารณิ ม, มิต ว, วัสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้ว น้าป่าอิสิปตนะมลึกัทยวันเขตกรุงพาราสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามานพลมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเป่าประกาศให้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชะนี้ทั้งมือโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานว่าผู้เจริญทั้งหลายโกนทัญญได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกนทัญญได้รู้แล้วหนาดังนั้นคาว่าอัญญาโกนทัญญะ นี้จึงได้เป็นชื่อของพระกนธัญญะนั่นแลธรรมาจักกับวัตนสูตรที่หนึ่งจบ